โปตลิยะสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อโปตลิยะสมัยนั้นแหลปริภาชกชื่อโปตลิย ะ, ยชชยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้กับโปตลิยะปริพาชกดังนี้ว่าโปตลิยะ บุคคลสี่พวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจ่จพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่เมื่อกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ แต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและไม่กล่าวสัเสริญผู้ควรสันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ และกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การโปรติยะบุคคลสีจ่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกโปรติยะบรรดาบุคคลสีจ่จำพวกนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนว่างามกว่าและปราณี ก, กว่าโปรติยะปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมบุคคลสีจ่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก บุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคลบคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแต่ไม่ก <hardcore> ล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและไม่กล่าวสันเสริญผู้ควรสันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสันเสริญผู้ควรสันเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การข้าแต่ท่านพระโคดม บุคคลสีจ่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสีจ่จำพวกนี้ข้าพระองค์ชอบใจบุคคลผู้ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การนี้เป็นผู้งามกว่าและประนีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุเบขานี้เป็นธรรมที่งดงามยิ่งนัก พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าโปตลิยะบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างละถึงบุคคลสี่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การนี้ เป็นผู้งามกว่าและประนีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมคือความเป็นผู้รู้จักการนี้งดงามยิ่งนักโปติยะปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้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 ข้าแต่ท่านพระโคโดมบรรดาบุคคลจี่จำพวกนี้ข้าพระองค์ชอบใจบุคคลผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่การและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่การนี้เป็นผู้งามกว่าและประนีต ก, กว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมคือความเป็นผู้รู้จักการนี้งดงามยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดม พระพาสิของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระพาสิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคด ม, ท ร, ครดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควม่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้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 2. ปถมสมาธิสูตร 3. ทุติยสมาธิสูตร 4. ตติยสมาธิสูตร 5. ชวาลาตสูตร 6. ราคะวินยะสูตร 7. ขิปะนิสันติสูตร 8. อัตตหิตะสูตร 9. สิขาปะทะสูตร 10. โบตลิยะสูตรทุติยปันนาจก 3. ตติยะปันนาคหนึ่งวลาหากะวักหมวดว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆหนึ่งปฐมมะวลาหากะสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถี ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมฆสีชนิดนี้เมฆสีชนิดอะไรบ้างคือหนึ่งเมฆที่คํารามแต่ไม่ให้ฝนตกสองเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คําราม สมเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตก 4. เมฆที่คำรามและให้ฝนตกภิกษุทั้งหลายเมฆสีชนิดนี้แลพภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจําพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจําพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก สองบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามสามบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกสี่บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดแต่ไม่ทำบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างนี้แล เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบทำแต่ไม่พูดบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คาราม บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พูดและไม่ทำบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนเมฆที่ไม่คารามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดและชอบธรรมบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจัมพูกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกปฐมมัทวะลาหกะสูตรที่หนึ่งจบ สทุติยาวลาหกะสูตรว่าด้วยบุคคลปริบเหมือนเมฆสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเมฆสีชนิดนี้เมฆสีชนิดอะไรบ้างคือ 1. เมฆที่คํารามแต่ไม่ให้ฝนตก 2. เมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คําราม 3. เมฆที่ไม่คํารามและไม่ให้ฝนตก 4. เมฆที่คํารามและให้ฝนตก ภิกษุทั้งหลายเมฆสีชนิดนี้แลภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจาพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจาพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คํารามแต่ไม่ให้ฝนตก 2. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คําราม 3. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คํารามและไม่ให้ฝนตก สบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คารามและให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คารามแต่ไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมเคสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทันละแต่เขาไม่รู้ชาติตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัย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 คือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัละแต่เขารู้แชก ต, ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำรามเป็นอย่างนี้แล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 นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คํารามและไม่ให้ฝนตกเป็นอย่างนี้แหลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนเมฆที่ไม่คํารามและไม่ให้ฝนตกบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คํารามและให้ฝนตกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยยากรณะ คาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตกภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบเหมือนเมฆสีจัมพูกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกทุติยาวลาหะกะสูตรที่สองจบ 3. กุ่มพูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนหม้อ ภิกษุทั้งหลายหม้อสีชนิดนี้หม้อสีชนิดอะไรบ้างคือ 1. หม้อเปล่าแต่ปิดฝา 2. หม้อเต็มแต่เปิดฝา 3. ามหม้อเปล่าและเปิดฝา 4. หม้อเต็มและปิดฝาภิกษุทั้งหลายหม้อสีชนิดนี้และภิกษุทั้งหลายในทานองเดียวกัน บุคคลเปรียบเหมือนหม้อสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเห yes มือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา 2. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาา 3. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝา 4. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝาเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกการครองสังคาติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสแต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขณนิโรดนี้ทุกขณนิโร ธ, ธาคาไม่มีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝาเป็นอย่างนี้แล เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทยัย นีิทุกขณิโรดนี้ทุกคณิโรดค้าไม่หนีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมืนมอนหม้อเต็มแต่เปิดฝาเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝาบุคคลเปรียบเหมืนมอนหม้อเปล่าและเปิดฝาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออก การครองสังขาติบาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝาเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังขาติบาทและจีวรที่น่าเลื่อมใสและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธถ้าขาดไม่มีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาเป็นอย่างนี้แล เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหม้อเต็มและปิดฝาภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนหม้อสีจมูกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกกุ่มพระสูตรที่สจบ4 อุทธ ร, รหัสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำภิกษุทั้งหลายห่วงน้ำสีชนิดนี้ห่วงน้ำสีชนิดอะไรบ้างคือ 1. ห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึก 2. ห่วงน้ำลึกแต่เงาตื้น 3. ห่วงน้ำตื้นและเงาตื้น 4. ห่วงน้ำลึกและเงาลึกภิกษุทั้งหลาย ห่วงน้ำสีชนิดนี้แลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำสีจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึก 2. บุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกแต่เงาตื้น 3. บุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้าตื้นและเงาตื้น 4.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 นี่ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนห่วงน้ำตื้นแต่เงาลึกบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกแต่เงาตื้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังขาติ บาทและจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใสแต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้าลึกแต่เงาตื้นเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนห่วงน้าลึกแต่เงาตื้นบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้าตื้นและเงาตื้นเป็นอย่างไร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 นิทุขสมุทยัยนี้ทุกคนิโรธนี้ทุกคนิโรธคาไมนีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกและเงาลึกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนห่วงน้ำลึกและเงาลึกภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนห่วงน้ำสี่จพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอุทโทกรหัตสูตรที่สี่จบ พสูตว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงภิกษุทั้งหลายมะม่วงสี่ชนิดนี้มะม่วงสี่ชนิดอะไรบ้างคือ 1. มะม่วงดิบแต่ผิวสุก 2. มะม่วงสุกแต่ผิวดิบ 3. มะม่วงดิบและผิวดิบ 4. มะม่วงสุกและผิวสุกภิกษุทั้งหลายมะม่วงสี่ชนิดนี้แหละภิกษุทั้งหลาย ในทํานองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก 2. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ 3. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ 4. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุก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 บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุกภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสีจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอัมพสูที่ห้าจบ มูสิกสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนหนูภิกษุทั้งหลายหนูสีชนิดนี้หนูสีชนิดอะไรบ้างคือ 1. นหนูขุดรูแต่ไม่อยู่ 2. หนูอยู่แต่ไม่ขุดรู 3. หนูไม่ขุดรูและไม่อยู่ 4. หนูขุดรูและอยู่ภิกษุทั้งหลายหนูสี่ชนิดนี้แหล ภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่ 2. บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรู 3. บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่ 4. บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่ บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมเคยสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอภูตธรรมเวทันละแต่เขาไม่รู้าติตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่เป็นอย่างนี้แหลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทันละ แต่เขารู้ชาติตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคาไม่หีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูบุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่เป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตะกะอภูตธรรมเวทันละและเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่เป็นอย่างนี้แล เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทันละและเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทยัย นิทุขนิโรธนิทุกคนิโรธคาไม่นีปฏิปทาบุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่เป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนหนูขุดรูและอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนหนูสีจ่จพูกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกมูสิกสูตรที่เจ็ดจบ ลิวัตสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ภิกษุทั้งหลายโคผู้สี่ชนิดนี้โคผู้สี่ชนิดอะไรบ้างคือหนึ่งโคผู้ที่ขมเพงโคฝูงตนแต่ไม่ขมเพงโคฝูงอื่นสองโคผู้ที่ขมเพงโคฝูงอื่นแต่ไม่ขมเพงโคฝูงตนส โคผู้ที่ขมเหงโคฝูงตนและขมเหงโคฝูงอื่นสโคผู้ที่ไม่ขมเหงโคฝูงตนและไม่ขมเหงโคฝูงอื่นภิกษุทั้งหลายโคผู้สีชนิดนี้แหลภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้สี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง บุบ Euch. คคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ขมเหงโคฝูงตนแต่ไม่ขมเหงโคฝูงอื่นสองบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ขมเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ขมเหงโคฝูงตนสามบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ขมเหงโคฝูงตนและขมเหงโคฝูงอื่นสีบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ขมเหงโคฝูงตนและไม่ขมเหงโคฝูงอื่น บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้ชนในบริษัทของตนหวาดกลัวแต่ไม่ทําให้ชนในบริษัทของผู้อื่นหวาดกลัวบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่า เหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้ชนในบริษัทของผู้อื่นหวาดกลัวแต่ไม่ทำให้ชนในบริษัทของตนหวาดกลัวบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่น แต่ไม่ขมเหงโคฟูงตนเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนโคผู้ที่ขมเหงโคฟูงอื่นแต่ไม่ขมเหงโคฟูงตนบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ขมเหงโคฟูงตนและขมเหงโคฟูงอื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้ชนในบริษัทของตนหวาดกลัวและทาให้ชนในบริษัทของผู้อื่นหวาดกลัว บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ขมเหงโคฝูงตนและขมเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนโคผู้ที่ขมเหงโคฝูงตนและขมเหงโคฝูงอื่นบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ขมเหงโคฝูงตนและไม่ขมเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทําให้ชนในบริษัทของตนหวาดกลัว และไม่ทำให้ชนในบริษัทของผู้อื่นหวาดกลัวบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่มีข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนโคผู้สีจ่จพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพริวัถสูตรที่แปด 9. ้รุกษสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้ภิกษุทั้งหลายต้นไม้สี่ชนิดนี้ต้นไม้สี่ชนิดอะไรบ้างคือ 1. น ต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสองต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมสามต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมสี่ต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมภิกษุทั้งหลายต้นไม้สี่ชนิดนี้แหลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกัน บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 2. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 3. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 4. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีนมีทําเลวสามแม้บริษัทของเขาก็เป <Should we? S 2> ็นผู้ทุศีนมีทรรเลวสามบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างนี้แล <mister ius> เรากลา่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว <into> ่าเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามแต่บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แล เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัละยาณธรรมแต่บริษัทของเขาเป็นผู้ทุศีลมีทําเลวสามบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมเป็นอย่างนี้แหล เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แหล เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อมภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้สีจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกรุกษาที่เก้าจบ